ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องบารมีธรมรมปลายิชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่21เมษายน2546ณพุทธสถานสันติอศโศก ข, ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังชาดกสักเรื่องหนึ่งนะชื่อว่าปรายิชาดกเป็นเรื่องของบารมีธรรมในะบารมีธรรมะเนี่ยไม่รู้เราเข้าใจคำว่าบารมีไหมบารมีบารมารีก็หมายถึงเนี่ยการกระทำความดี สะสมะแล้วก็ทําไปเรื่อยทาไปเรื่อยจนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบา ร, รมีของตัวเองเพียงแต่ว่าใครมีมากมีน้อยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ชาตินี้แม้ชาติไหนๆก็แล้วแต่ที่เราทำเอาไว้สะสมมาสะสมมาแลก็ล้วนเป็นบา ร, รมีของเราทั้งสิน้นลองฟังเรื่องนี้ก็แล้วกันนะอันนี้เขาขึ้นต้นมาว่า สะสมสร้างเสริมธทมดีบารมีนับวันยิ่งใหญ่มหาชนเชิดชูภูมิใจไร้ใครอาถรรพ์ต้านทานนั้นก็เริ่มเรื่องชาดกส่วนใหญ่นั้นก็เริ่มที่สมัยพุทธกาลคำว่าพุทธกาลก็หมายถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงมีพระชนมายุอยู่นัเราก็เรียกว่าพุทธกาล พุทธการนั้นเองมีปริภาชกไม่รู้เข้าใจพวกปริภาชกไหมปริภาชกนี่เป็นนักบวชพวกหนึ่งนะในอินเดียจะมีเยอะเลยนักบวชแล้วก็มีชื่อเรียกอะไรต่างๆซึ่งบางทีเราก็จำได้บางจำไม่ได้บางนะัยิ่งใครไม่ค่อยได้อ่านในพระไตรปิฎกไม่ค่อยได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับโบราณนี่บางทีบางอันเราอ่านแ ล, แล้วเรานึกว่าชื่อคน อย่างปริพาชกเนี่ยบางครั้งอาจนึกว่าเป็นชื่อคนใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เป็นชื่อที่เขาใช้เรียกนักบวชพวกหนึง่งนะเรียกว่าปริพาชกหรืออย่างพวกนิครลเงี้ยคนไม่รู้ก็ น, นึกว่าเป็นชื่อชื่อใครชื่อนิครนแต่ไม่ใชน่นิครนก็เป็นชื่อนักบวชพวกหนึ่งในอินเดียนะพวกนินนะกนคร น, นี่พวกนุ่งลมหมฟ้า แต่ตอนนี้ปริยภาชกเนี่ยเป็นนักบวชพวกหนึ่งนะที่คือเที่ยวสัญจรไปเรื่อยๆนะพวกนี้บางทีก็เที่ยวแสดงทัศนะความรู้หรือความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยตามปรัชญาของวิถีแนวทางของตนเนี่ยอยู่บ่อ ย, อยคือคือชอบชอบแสดงออกนะตามภูมิตามความรู้ของตัวเองตอนนี้มีปริภาชกผู้หนึ่ง ปรารถนาแสดงภูมิปัญญาของตนจึงท่องเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปชมพูทวีปเนี่ยเป็นชื่อเรียกของอะไรอ่ะประเทศอินเดียแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเรียกชมพูทวีปเพื่อโตวาทะนะโตวาทะก็คือการพูดจาโตตอบกันเนี่ยคือเอาชนะกันอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าโตวาทะเพื่อโตวาทะกับผู้รู้ทั้งหลาย แต่แล้วก็ไม่มีใครมาโต้ตอบวาทะด้วยเลยปริพาชคจึงรอนแรมมาจนถึงเมืองสาวัตถีแล้วเที่ยวสอบถามชาวบ้านว่าที่เมืองสาวัตถีนี้ใครได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้มากที่สุดผู้นั้นจึงจะสามารถโต้ตอบวาทะกับเราได้มีบ้างไหมบุคคลเช่นนี้คือผู้ง่ายๆว่าปริพาชคคนนี้ไปที่ไหนไปที่ไหนก็ตาม ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะมาโต้วาทะหมายถึงว่าสู้ปัญญากันโดยโดยใช้คำพูดนี่นะใช้คำพูดตอบโต้กันปรากฏว่าไม่มีใครกล้าสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยชักเชื่อมั่นตัวเองหรือจะเรียกว่าหลงตัวเองก็ได้ว่าตัวเองแสดงว่ามีภูมิมีปัญญามากเพราะฉะนั้นใครๆก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะมาโตวาทะด้วยวัพ อ, พอเชื่อมั่นตัวเองมากพอมาถึงเมืองสาวัตถี ก็าถามชาวบ้านเขาเลยว่าเนี่ยพูดง่ายว่าเมืองเนี่ยใครแนใ่สุดนี่ถามแบบชาวบ้านง่ายๆบรรดาผู้คนทั้งหลายต่างพากันตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระพุทธองค์นั่นแหละเป็นสัพพันญูเลิศ ก, กว่ามนุษย์ทั้งปวงเป็นใหญ่โดยธรรมย่ำยีวาทาของผู้อื่นได้สามารถจะโต้อตอบวาทะกับปริภาทกปริภาชกเช่นท่านได้แม้ตั้งพันคน เพราะปราดทั้งหลายในชมพูทวีปนี้ผู้ที่มีวาทะขัดแย้งโค่นล้มพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีแม้แต่คนเดียวบรรดาวาทะขัดแย้งทั้งปวงเมื่อมาถึงพระองค์แล้วก็ถูกหักล้างทำลายไปจนหมดสิน้นดุดเกลียวคลื่นกระทบฝั่งแล้วหายไปฉะนั้นโอ้โหพูดง่ายๆว่าชาวบ้านโอ้โหยกยกพระผทธเจ้าเหลือเกิน บอกว่าในชมพูทวีปเนี่ยพูดง่ายว่าทั่วทั่วประเทศอินเดียอะไม่มีใครหรอกที่จะมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าได้นะบอกไม่มีทางเลยนะส่วนใหญ่พูดง่ายว่าใครคิดจะมาโคน่นโค่นล้มด้วยวาทะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีแม้แต่คนเดียวนะเสร็จแล้วก็ยกพระพุทธเจ้าว่าเป็นสัพพัญยุคาว่าสัพพัญยุเนี่ยคือรู้ทุกสิ่ง ทุกอย่างในโลกนี้รู้ไปหมดนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถือว่าเรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะเป็นใหญ่โดยธรรมแล้วก็ใครต่อใครที่จะมาโต้วาทะด้วยเนี่ยพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่ก็แพ้ไปหมดไม่มีใครที่จะชนะพระพุทธเจ้าได้เลยแล้วก็เปรียบเหมือนกับพวกที่มามาโต้วาทะด้วยเนี่ยเหมือนกับมาโต้คลื่นนั่นแหละ คือเหมือนกับมาโตคือโต้ขึ้นเคยเห็นเขาเล่นไอ้นั่นมันกระดานโต้ขึ้นไอ้ที่ฝรั่งมันเล่นน่ยมันจะมีคลื่นบางทีคลื่นจะใหญ่เงี้ยนะโครมโครมโครมมาพวกนี้ก็ไปเล่นโต้ขึ้นแต่ถ้าเจอคลื่นใหญ่บางทีก็โครมหายไปในเกลียวคลื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นคาเปรียบของชาวบ้านว่าพวกที่จะมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับมามาโดนคลื่นเนี่ยซัดเรียกว่าหายไปหมดอหะ ไม่เหลือตอนนี้พอปริพาชกคนนี้ฟังแล้วก็บอกว่าเอาเถอะเดี๋ยวนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนชาวบ้านก็ตอบว่าที่พระเชตวันมหาวิหารถ้าอย่างนั้นเราจะไปประประวาติกับพระองค์บัดนี้เลยแหมเรียกว่าใจร้อน้ว <c oughs> <c oughs> พอชาวบ้านบอกว่าเนี่ยอยู่ที่นี่ี่ พาโชคนี่บอกเอาเลยไปพาไปเลยให้พาไปเลยอยู่ที่ไหนบอกเดี๋ยวจะเปราประวาทะคําว่าปร่าประวาทะนี่ก็คือว่าจะใช้คําพูดเนี่ยปะทะกัน <c oughs> ง่ายจะทําสงครามด้วยคําพูดถ้าพูดให้แรงๆหน่อยนะพวกนักปราศหรือว่าพวกผู้รู้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เอาเอาวุธเขาไม่เอาไม้ไม่เอามีดไม่เอาปืนไม่เอารูกระเบิดอะไรมาสู้กันหรอก เขาใช้คำพูดสู้กันใช้เหตุผลนะสู้กันเพราะนั้นวิธีการสู้ของนักปราศเนี่ยของผู้รู้เนี่ยนะเขาใช้เหตุผลเาใช้การพูดใครพูดชนะเหตุผลของใครชนะ อ, อีกคนหนึ่งก็แพ้ไปนะนี่นี่เป็นการการสู้กันแบบทางสงครามของของนักปราศนี่ก็คือเนี่ยนะทำสงครามคารม หรือว่าสงครามคำพูดตอนนี้ปริพาชกก็มุ่งสู่เชตวันมหาวิหารทันทีโดยมีหมู่ชนที่ทราบเรื่องพากันติดตามไปดูกันแน่นขนาดเมื่อมาถึงหน้าซุ้มประตูของเชตวันมหาวิหารเป็นซุ้มประตูที่พระราชกุมารพระนามว่าเชตะทรงสระทรัพยก้าโกรดสร้างขึ้นอย่างโออาโอรานตการตาพูดง่ายว่า ที่เชตวันมหาวิหารเนี่ยนะยังไม่ทันเข้าไปเลยนะแค่ปริภาชคนี่มาเห็นซุ้มประตูซึ่งเนี่ยพูดง่ายว่าลูกกษัตริย์นะมีพระนามว่าเชตะสละทรัพย์9โกรด9โกรดนี่คือจำได้หรือยังโกรดหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่โกรดหนึ่ง10ล้านนี่เขาเทียบตามอัตราส่วนเงินนะสมัยก่อนเทียบกับ เดี๋ยวนี้หนึ่งโกดเท่ากับ10บล้านวัน9ก้โกธก็คือ90สบล้านเพราะนั้นแค่ซุ้มประตูนี่เท่านั้นเองซุ้มประตูที่จะเป็นทางเข้าพระวิหารเชจาวันเนี่ยนะสร้างไว้90สบล้านแล้วสร้างอย่างใหญ่โตมโหฬารเลยเพราะนั้นข่าวนี้พอพอปริภาชกเพ่งดูแล้วก็หยุดชะงักอยู่ที่ตรงนั้นพร้อมกับถามไถยว่า นี่คือปราสาทที่ประทับของพระสมณะโคโดมหรือพู้ง่ายว่า โ, โหสร้างซุ้มประตูนี่ใหญ่โตม โ, โหดานสร้างเป็นอะไรอ่ะเป็นยอดเป็นชั้นเป็นอะไรต่างๆจนกระทั่งซุ้มประตูเนี่ยอย่างกับดูอย่างกับอย่างกับวังเพราะฉะนั้นปิ ป, ปิภาชคนี่ถึงกับโอ้โหมองแล้วบอกว่านี่นี่ีปราสาทที่สมณะโคโดมนี่อยู่เหรอ นะคือไม่นึกว่าเป็นซุ้มประตูผู้คนทั้งหลายช่วยกันตอบให้รู้ว่าไม่ใช่นี่เป็นเพียงซุ้มประตูเท่านั้นจากคำตอบนี้เองทำให้ปริภาชกถึงกับวาดวันขึ้นมาในใจทันทีด้วยความรู้สึกที่ว่าซุ้มประตูยังใหญ่โต ร, ราวกับปราสาทถึงเพียงนี้แล้วที่ประทับเล่าจะเป็นเช่นไรโอ้โหชักชักตกใจแล้วนะ เอามีบ้างเหมือนกันใครๆเคยไปดูพระบรมหาราชวังบ้างไปที่วัดพระแก้วไปที่อะไรเงี้ยเออบางทีโอ้โหดูแค่แค่อย่างนี้นะใช่ไหมนี่ไม่ใช่สมัยโบราณนะเพราะว่าสมัยทุกวันนี้มันอะไรอ่ะไอ้พวกนี้มันลดลดทอนทอไปเยอะแล้วโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เขาสร้างโอรานสร้างยิ่งใหญ่กว่า น, นี้เยอะเลยนะเขาประดับเขาตกแต่งเขาอะไรต่ออะไร ถ้าใครเคยไปดูก็จะรู้สึกนั่นเขายังไม่ได้เปิดอะไรเปิดไฟทั้งหมดเปิดหน้าต่างเปิดอะไรห้องหับอะไรต่างๆให้คุณดูนะคุณยังไม่ไม่เห็นสีสันอะไรมากหรอกอัตามาเคยเข้าไปดูก็ก็มันอึมๆคึมๆแบบเขาไม่ได้เปิดไฟของจริงไม่ได้ติดไฟของจริงให้เราดูนะบางทีก็เปิดไฟธรรมดาธรรมดาให้เราแคออ่มีแสงสว่างให้เราได้เห็นไอ้นั่นไอ้นี่บ้างเท่านั้นเอง โอ้โหถ้าเปิดจริงๆแล้วก็คุณเอ้ยไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าพระราชวังแล้วอ๋อมันเฉลิมประชนบรรษาแหละอ่ะแต่ตอนนี้ปริภาชคตอนนี้ตกชักจะตกใจแล้วขนาดนั้นเองมีชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าพระคันทักกุดีนั้นประมาณไม่ถูกเลยทีเดียวคือพูดง่ายๆปริภาชกนี่ตกใจใช่ไหม บอกว่าโอ้โหนี่แค่ซุ้มประตูเหรอยังขนาดนี้เลยคิดอยู่ในใจว่าโอ้โหถ้าที่ประทับอะที่อยู่ของของที่พระเจ้าท่านท่านประทับอยู่เนี่ยจะใหญ่ยิ่งกว่าซุ้มประตูแน่นอนคื อ, ค, อคือคิดเอาเองเสร็จแล้วตอนนี้พอชาวบ้านเห็นอาการใช่ไหมก็คงจะเดาได้ก็เลยพูดออกมาเลยบอกว่าเนี่ยพระคันทักบูดีคาว่าพระคัน คันทกุูดีนี่ก็คือกุตินั่นเองหรือที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นเองเรียกว่าพระคันทกุูดีคําว่ามีคันทะเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือคันทะคืออะไรคันทะมาละมาลาวิเลปณะธารณะมันทะสวดอยู่อะฮะคันทะคืออะไรคือดอกไม้นะพวกพวกของหอมพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ย เราเรียกว่าคันทะตอนนี้เรียกคันทะกุดีก็คือกุดีนี่ก็คือกุดนั่นเองนะพูดง่ายนะบางทีเขาเขียนว่ากุดกุติเนี่ยหรือหรือก็ใช้คําว่ากุดีนะเพราะฉะนั้นเราไปเจอบอกว่ากุดีกุดีก็ให้รู้นั่นก็คือภาษาเราเรียกกันแล้วเรียกสั้นๆก็เรียกกุดกุดกุติกุตินี่แหละเพราะงั้นกุติที่ประทับของผู้เจ้านะซึ่งบางทีเนี่ยโอ้มีอะไรอ่ะ มีดอกไม้มัง่งมีของหอมมัง่งมีอะไรบ้างเนี่ยอยู่เพราะว่าคนถวายก็เยอะแยะเพราะว่าสมัยก่อนโน้นสำหรับพระพุทธเจ้าเองท่านยังรับท่านรับดอกไม้นี่ท่านยังรับรับเสร็จแล้วก็พูดง่ายๆก็ไม่ใช้อะไรนี่เพราะว่าไม่มีการบูชาเหมือนเดียวนี้นะไม่มีพระพุทธรูปบูชานะเพรา ะ, ะพุทธเจ้ายัางอยู่ใช่ไหมอ่าไม่มีรูปเคารพไม่มีรูปสมมุติอ่ เพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้เสร็จแล้วก็เลยมาพูด ง, ง่ายมากองกองกองกองสมไว้ข้างกุฏิหรือว่าข้างกุดีนั่นแหละเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคันทักกูดีไป <c oughs> ก็กลายเป็นกุฏิที่โอ้โหมีดอกไม้มีของหอมอะไรพวกนี้มาสมอยู่เยอะแยะนะคนเ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยพระคันทักกูดีของที่พระเจ้าท่านประทับอยู่เนี่ยยังโอ้โห ยังหาประมาณไม่ได้เลยใหญ่โตนะชาวบ้านก็พูดอย่างนี้ปริยับอ่ปริภาชกถึงกับรุ่มร้อนภายในคือพอได้ฟังแล้วนะเหงื่อการก็แตกด้วยความขลาดกลัวแล้วก็โพ่งออกไปว่าใครจะไปโต้ตอบบาทะกับพระสมณะโคดมที่มีบา ร, รมีถึงปานนี้ได้เ่านี่แค่เห็นซุ้มประตูเท่านะ โอ้แค่นี้เองอะ่ะยังไม่ทันจะไปอะไรเลยนะยังไม่ทันเข้าซุ้มประตูยังไม่ทันเข้าไปเจอพระวิหารเชตวันเลยแค่นี้เองโอกเงือแตกหมดล้ะสมัยก่อนเราเคยจะยินบางพระสูตรที่เรียกว่ามาถกวาทะกันเนี่ยคนที่จะแพ้คือคนที่ เงือออกรักแรถือว่าแพ้ถ้าโต้วาทะกันเนี่ยเสร็จแล้วใครเงือออกเนี่ยโอโ้โหถือว่าก่อนทันแพ้พราะแสดงว่าแย่แล้วนะสภาวะอารมณ์อะไรนี่ไม่ไหวแล้วล่ะเงือแตกพักๆแล้วนี่ยังไม่ทันโตวาทะเลยแค่เห็นแค่นี้เองถึงกับเงือแตกพักๆแล้วยอมแพ้ก่อนแล้วนะเนี่ยก็เห็นซุ้มประตูยังไม่ทันโต้เลย เสร็จแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหบอกคือไม่มีทางสู้บา ร, รมีได้อันนี้เป็นบา ร, รมีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรบา ร, รมีตัวนี้บา ร, รมีเกี่ยวกับการที่คนเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยนันเหมือนลูกกษัตริย์เนี่ยที่ชื่อว่าเชตาเนี่ยแค่มาสร้างซุ้มประตูให้ราคาเก้าสิบล้านบาทเนี่ยโอ้โหปริพาชกควนี้บา ร, รมีถึงแม่ มีใครศรัทธาถึงขนาดนี้ไหมที่จะมาบริจาคหรือว่าจะมาช่วยสร้างให้ขนาดนี้คือปริภาชก ค, คนนี้วัดเอาเนี่ยวัดดูแล้วก็รู้เลยว่าตัวเองบา ร, รมีไม่ถึงเพราะนี่แค่สุ้มประตูบา ร, รมีไม่มีทางสู้มันอย่างน้อยก็ยังรู้สถานการณ์นะรู้ความจริงของตัวเองเพราะนั้นก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่กล้าไปสู้แล้วบอกบา ร, รมีไม่ถึง แล้วก็หลบหนีไปจากที่นั้นอย่างรวดเร็วหมู่ชนทั้งหลายจึงส่งเสียงกันอึงอึงค้งขึ้นมาทันทีว่าปราญิปริภาชกปราญิปริภาชกคําว่าปราญิเนี่ยก็แปลว่าหนีแล้วนะปราญิปริภาชกป ร, ปราญิเนี่ยภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยไปว่าหนีแล้ว วันชาดกเรื่องเนี้ยชื่อว่าปลาญิชาดกชาดกเรื่องนี้ชื่อว่ า, า, า, า, นวาหนีแล้วแต่ตอนนี้มาเรียกปริภาชก ค, คนนี้ว่าคือไม่รู้ไม่รู้ชื่อว่าปริภาชก ค, คนนี้ชื่ออะไรไงเพราะฉนั้นชาวบ้านก็เลยตะโกนขึ้นมาอึงคนหนึ่งขึ้นมาปลาปริภาชกห น, นีแล้วปริชาปริพาชกห น, นีแล้วยอึงคนนึงเสียงดังก็ขึ้นมาเลย พูดง่ายว่าพูดไล่หลังไปอะตะโกไล่หลังไปปริ拉าชคคนนี้ก็แนบไปแล้วแล้วผู้คนทั้งหมดก็พากันเข้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารพระาศาสดาทรงได้ยินเสียงดังเหล่านั้นทั้งแลเห็นผู้คนจำนวนมากจึงตรัสถามขึ้นว่านี่ไม่ใช่เวลาฟังธรรมทำไมจึงมีผู้คนมากันมากมาอย่างนี้เล่า หมู่ชนจึงกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระศาสดาเข้าใจเรื่องแล้วได้ตรัสว่าคือพอชาวบ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟังพระุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายปริภาชนี้พอเห็นซุ้มประตูวิหารเท่านั้นก็หนีไปมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เคยหนีแล้วเหมือนกัน เอาแล้วนะจะเริ่มจะเริ่มไปถึงชาดกแล้วหมู่ชนได้ยินดังนั้นก็พากันทูลขอร้องให้ตรัสเล่าพระศาสดาจึงแสดงชาดกนั้นให้ฟังว่าในอดีตการมีมีพระราชาพระองค์หนึ่งสเสวย ร, ราชสมบัติที่เมืองตักกศิลาในแคว้นคันทาระส่วนที่เมืองพรรณสีในแคว้นกาศีมีพระเจ้าพรหมทัต ครองราชอยู่มีสองเมืองนะตอนนี้มีพระราชาองค์หนึ่งอยู่ที่ตักกศิลาในแคว้นคันธละส่วนอีกที่หนึง่งพูดถึงเมืองพารานศีในแคว้นกาสีนะอันนั้นมีพระเจ้าพมทัตนะครองราชอยู่พระองค์ทรงดำริหมายครอบครองเมืองตักกศิลาจึงรวบรวมไพ่พลแล้วยกกองทัพใหญ่มุ่งสู่เมืองตักกศิลา คือพูดง่ายๆว่าพระเจ้าพมทัตที่เมืองพรที่เมืองพระณสีเนี่ยคิดอยากจะเป็นใหญ่อยากจะครอบครองเมืองอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกพลเนี่ยยกทัพเพื่อที่จะไปยึดเมืองของอแคว้นคันทาระนะคือเมืองตากศิลาก็ตอนนี้ก็ยกทัพไปแล้ะเมื่อใกล้จะถึงเมืองตากศิลาได้หยุดทัพตั้งมั่นอยู่เพื่อวางแผนการรบ ที่จะเข้าโจมตีเมืองได้รับสั่งกับไพ่พลทั้งหลายก่อนที่จะยกทัพ บ, บุกเข้าไปว่าเมืองตักกศิลาจะถูกล้อมไว้ทุกด้านด้วยกองทัพช้างซึ่งร้องคำรนอยู่ด้านหนึ่งด้วยกองทัพม้าอีกด้านหนึ่งด้วยกองทัพรถบุกตะลุยอีกด้านหนึ่งด้วยกองทัพเดินเท้าที่แม่นธนูอีกด้านหนึ่งท่านทั้งหลายจะต้องรีบลุกเข้าไป จะต้องรีบบุกเข้าไปต้องสายช้างให้หนุนเนื่องกันเข้าไปต้องโห่ร้องให้สนันวันไหวในวันนี้ดุดสายฟ้าฟาดจากกรีบเมฆคำรามอยู่ผู้ง่ายมาปกปกใจทหารนะแล้วก็บอกว่าจะต้องบุกอย่างนี้จะต้องสู้อย่างนี้พระเจ้าพรหมทัต ท, ทรงตรวจพลและปลุกใจเหล่าทหารให้คึกคักเข้มแข็งแล้วเคลื่อนพลไปสู่ประตูเมืองตักกาศิลา พอมาถึงซุ้มประตูเมืองที่สง่างามใหญ่โตแข็งแรงตั้งต่ ง, งานมั่นคงอยู่ตรงหน้าจึงได้ตัดถามขึ้นมาว่านี่คือพระราชมนเทียนที่ประทับของพระราชาหรือพู้ง่ายว่าเมืองตักกศิลานี้ปรากฏว่าโอ้โ ห, โหสร้างซุ้มประตูไว้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันสร้างไว้จนชนิดที่เรียกว่าพอพระเจ้าพมทั์ยกทัพมาถึงซุ้มประตูเมืองเนี่ย นะคือคือทุกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีมีอะไรอะกำแพงเมืองใช่ไหมจะล้อมรอบเอาไว้ทุกด้านแล้วแต่ละด้านก็จะมีซุ้มประตูเมืองเอาไว้นะแต่ปรากฏว่าซุ้มประตูเมืองของของตักกาศิลานี่โอ้โหสร้างไว้แข็งแรงใหญ่โตนะสวยงามเหลือเกินจนกระทั่งพระเจ้าพรมทัตน์มาเห็นนึกว่าเป็นพระราชมนเทีนิพระราชมณีนี่คือ คือที่ประทับของพระราชาเนี่ยแค่เห็นซุ้มประตูก็นึกนึกเหมือนปริพาชกที่ที่หนีไปนั่นแหละใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเป็นกษัตริย์แต่ก็นึกว่าโอ้โหทําไมมันใหญ่โตอย่างนี้แหละใช่ไหมก็ก็เลยเข้าใจว่าเป็นที่ประทับของพระราชาหรือพวกทหารก็ตอบว่าพวกอํามาด์นะนะไม่ใช่พระเจ้าค่ะนี่คือซุ้มประตูเมืองเท่านั้น พระเจ้าพรมทัตถึงกับตกพระทัยว่าซุ้มประตูยังใหญ่โตมโหราณสง่างามถึงเพียงนี้แล้วที่ประทับจะขนาดไหนพอดีเสนาได้กราบทูลต่อพระองค์อีกว่าพระราชมนเทียนของพระเจ้ากรุงตา ก, กาศิลานั้นผู้คนบอกว่ายิ่งใหญ่สวยงามเป็นเช่นเดียวกับเวชยันต์ตปราสาสตร์ อันนี้เป็นชื่อเรียกนะเวชยันตาประสาทเนี่ยหมายถึงวิมานของพระอินทร์วิมานของพระอินทร์เนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าเวชยันตประสาทนะเพราะฉะนั้นเสนาคนนี้บอกกับพระเจ้าพโมทัตเนี่ยบอกเนี่ยคนเขาบอกกันมานะเล่าเล่าล่ำลือกันมาว่าที่ประทับของของอพระเจ้ากรุงพลานสีเนี่ย ของพระเจ้าเมืองตั ก, กาศิลาเนี่ยบอกโอ้โหสวยงามนะ่าใหญ่โตอย่างกะวิมานของพระอินพูดง่ายใหญ่โตเหมือนเวชยันต์ตับประสาทเลยทีเดียวพระเจ้าค้าพอพระเจ้าพรมทัตทรงสดับแล้วยิ่งทรงวาดวันพระไทยอาการที่เคยหึกเหิมก็กลับกลายเป็นขาดกลัว ทรงไม่แน่พระไทยที่จะโจมตีทำศึกสงครามด้วยพวยง่ายพอเห็นเห็นเท่านั้นเองอ่ะชักรู้สึกว่าใจแป้วละตอนแรกคึกเคิมนะกะว่าจะมาตีเมืองตากศิลาให้ได้แต่พอแค่เห็นซุ้มประตูเมืองเท่านั้นเองอ่ะชักไม่กล้าละในที่สุดก็รับสั่งกับไพ่พลว่าเราไม่อาจสู้รบกับพระราชาที่สมบูรณ์ด้วยบารมี และลาบยศยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้ถอยเหมือนกันนะได้ทรงหันไปทอดพระเนตรซุ้มประตูเมืองอีกครั้งแล้วตัดสินใจรับสั่งว่าถอยทับเออมีไหมบางคนมาถึงถึงหน้าวัดเนี่ยแหละหน้าสันติอโศกก็ไม่กล้าเข้ามาเนี่ยไม่รู้ไปเห็นอะไรเข้า ไม่รู้เห็นใครยืนอยู่หน้าวัดหรือเปล่าเลยไม่กล้าเข้าที่สันติอาสกแสดงว่าคนนั้นตันวใหญ่มากเลยนะไปยืนแล้วใครมาเห็นเข้าแล้วไม่กล้าเดินเข้ามาในสันติอาสกแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมหลายคนามาพูดให้ฟังหรือบางทีอาตมาประชุมในส่วนกลางเนี่ยเขาบอกว่าหาป้ายสันติอาสกไม่เจออยู่ที่ไหนคือเข้าผิดซอย ไม่รู้หาซอยไหนเข้าบางทีโอต้องถามคนน้นต้อ ง, ตงถามคนนี้จนยุ่งเลยะกว่าจะเข้ามาได้อืเออมีบางกันพอเ ข, เขาจะยินเสียงล่ําลือนะว่าสันติยโศกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีเข่งคลาดบ้างนะบางทีก็ไม่ค่อยจะไว้หน้าอินหน้าพรมบ้าง <laughs> เขาเลยบางทีแต่งตัวไม่เรียบร้อยมัง่งนะหรือว่าคือถ้าเขารู้สึกว่าเขาอะไรอ่ะไม่ค่อยมีศีลน่ะหรือว่าเขายังเขายังมีใบายามุกหรืออะไรเงี้ยบางคนไม่ค่อยกล้าเลยจะกลัวจะไม่ค่อยกล้าเขาอันนี้ก็เป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งของสันติโสตที่ทําให้บางคนก็เกรงๆนะไม่กล้า อ่าแต่นีพ้พอพระราชานี้ก็ไม่กล้าเหมือนกันนนะก็เลยสั่งถอยทัพความขลาดกลัวเหนือกว่าความอับอายพระเจ้าพรมาทัศสเสด็จยกกองทัพถอยหนีกลับคืนสู่เมืองพระราสีตามเดิมเพียงแค่ได้ทอดพระเนตรเห็นซุ้มประตูเมืองตักกศิลาเท่านั้นความขลาดกลัวเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่กว่าความอับอาย บางคนอายมากกว่ากลัวใช่ไหมบางคนนี่นะโอ้โหปรากฏว่ายัางยังเคยเห็นไหมบางทีนั่งนั่งไม่ต้องใคร่นะเอาสมณะกับสมณะเหอะบางทีไม่ต้องใครนะอาตมาเองแหละ <c oughs> นั่งเงี้ยบางทีนั่งไปนั่งมาเรางงงงเงี <c> ้ย <oughs> ฟังธรรมอยู่แบบฟังธรรมอยู่อบบมันง่วงมันมันหลับไปงงงงเนี้ย โอ้โหบางทีมันรู้ตัวขึ้นมานะบางทีมันตกหลุมอากาศอ่ะคงเข้าใจคําว่าตกหลุมอากาศนะคือปรากฏว่ามันวุบโอ้โฮกระชากขึ้นมาเลยนะมันกระชากขึ้นมาคือมันคือมันมันเอียงอ่ะนะตัวมันเริ่มเอียงใช่ไหมจะเอียงหน้าหรือเอียงหลังก็แล้วแต่นะเอียงข้างไหนก็แล้วแต่มันมันจะเสียศูนย์ไปเสียศูนย์ไปเสียศูนย์ไปเสียศูนย์ไปจนถึงจุดจุดหนึ่งใช่ไหมที่เรียกว่า ถ้าปล่อยต่อไปนะโครมถ้าปล่อยต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมีสติขึ้นมาทาันตอนนั้นเนี่ย พ, oranges. พอมีสติขึ้นมาทาันบั้มจะกระชากขึ้นมาทันทีเลยนั่นแหละวูบขึ้นมา ท, าทันทีพอวูบขึ้นมาเนี่ยมันก็ตื่นโพงขึ้นมาเลยทีพอตื่นโพลงขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วตะกี้นี่เราโอ้โหวูบไปแล้วนะไม่รู้จะโยกแยกไปกี่ทีก็ไม่รู้แหละแต่มันได้สติตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โห ทันทีเลยนะบางทีหน้าเน้อหัวเหอแดงทังพราะว่านั่อยู่โอ้โหใครเห็นบ้างหว่าเนี่ยเ <laughs> อโ๋โยมนั่งนั่งอยู่นี่เห็นหรือเปล่านาะโอ้โหอายเลยนะคราวเนี้ยกูเลยไอไอตัวถีนามิธาเรียบวุดเลย <laughs> หายเกี้ยงเลยโอหคราวเนี้ยต้องทําเป็น <laughs> ต้องทำเป็นเฉยๆทาเป็นไม่ไม่มองใครก่อนนะโอ้โหคราวเนี้ยมัน หนีหมดแล้วไอ้ทีน่ามิท่านะโอ้โหมันมีแต่ว่าใครจะรู้บ้างหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยนะอัน น, นี้ก็โหนั่งตื่นโพรงเลยคนนี้